ทำต่ออีกเราได้ฝังธรรมจากพระพุทธเจ้ า, เาให้เป็นเรื่องของเราพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาธรรมจักนี้ก่อนปลิภันธ์สีสห้าปี นับตั้งแต่ปรจจุบันก็สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีบวกก็ไปอีกสี่สิบห้าปีก็เป็นเท่าไร <laughs> สองพันหกร้อยปีมาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่สอง0หก้อยปีถ้าเราเอาทมนั่นมีศรัทธาเชื่อว่าพระเจ้าตัดสู้จริงมีพระธรรมทรรมเกิดตานตัดรู้จริงมีผู้ปฏิบัติตามธรรมทาให้เกิดเป็นพระ อาเทยก้าวเป็นพระหานจริงแล้วก็มีศรัทธาเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้สัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระธรรมศรัทธาต่อวิธีปฏิบัติเป็นรติการที่ไม่ไม่กล ค, คือปัจจุบันนี้เอง พือใดมีสัทธาต่อพระราคตตต้องมันอย่างดีไม่หวั่นไหวมีชินปฏิบัติมีราที่อยู่เพียงวันเดียวก็น่้ชมเราทำอย่างนี้การตัดสูกของพระเจ้าก็เป็นเรื่องของเราทุกชีวิตจึงเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันก็ทำได้อดีต 2,600 ปีเหมือนไกลถ้าเรามาคิดมาดูการตัดชรูปเพราะธรรมะทำให้เกิดการตัดชรูปมีวิธีปฏิบัติก็คือเรื่องปัจจุบันส่วนตัวเราทุกชีวิตก็ตน่าจะกระตือรือร้น เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอามาทำดูแล้วก็ทำได้ทรมาก็ตัดไว้ดีแล้วถ้าผิดก็ผิดถ้าถูกก็ถูกเป็นหมวดเป็นหมู่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ผูกปฏิบัติต้องทำเอง ชีวิตของเรานี่ก็พิ่มแล้วมีกายมีใจมีสติที่ทําตานที่พระเจ้าสอนนั่นทำอย่างไรมันอยู่ที่เรานี่ mm hmm. ก็น้อมก็มาใส่ตัวอะไรที่มันไม่ควรน้อมก็มาใส่ตัวก็ พิงไปเวลาเราปฏิบัติก็ย่อมเห็นจริงธรรมะเกิดขึ้นเช่นวิชากรรมฐานมีสติเป็นเจนที่วัดก็ย่อมเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สติเกิดขึ้นมีสติที่ใดก็ หลุดออกจากจิงที่ไม่เป็นธรรมนี่คือน้อมมาเฉอตัวเองเวลาเราปฏิบัติจะได้งอกงามขึ้นไวๆ ไ, วได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเราควรประกาศให้คนอื่นเมื่อดูยิ่งเวลาใดเราสัมผัสกับ ความผิดความถูกเราก็ชิดจักให้คนอื่นเห็นไม่ปิดบงังเป็นความเท็จความจริงเราผู้ใดได้สัมผัสแล้วจอกกระตือรือร้นเองเราเล่าความชั่วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสึ่งอื่นวัตถุอื่นเราทำความดีเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและสิ่งอื่นวัตถุอื่น ตั้งแต่ที่เรานี่ย น, นับตจ้งเรานี่ถ้าเรามีผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้มีพระคุณคือพ่อคือแม่เราก็ได้มั่นใจว่าจะทำความดีได้จะรัความชั่วได้ก็ทําไมคิดถึงคนอื่นทําไมกระตือรือร้ น, นเผื่อผู้อื่นชีวิตก็เพื่อผู้อื่นทันทีไม่ใช่เพื่อตัวเรากว้างใหญ่ มีพลังมีกำลังที่จะทําความเพียรเห็นทำอยู่เนืงเนืองเห็นทำอยู่เนืงเนืองมีสิเห็นทำอยู่เนืองเนืองไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้รีเวลาเราปฏิบัติเห็นความหลงเห็นทวงรู เรงความผิดควาถูกเรื่ความง่วงเอาหงหนเรนื่องความผาุ่งสนเรืนอความหลังเล่สงสยัยนำมาให้เห็นจนตนคู่แฉงชีวิตมีคู่ชฉงแฉงแบบนี้ไม่มียอมไม่มีแพทำย่อมเชนะอ้นทำอยู่เสมอเพราะเราหวมรูกในเมนก็ขี่คอมัน มันหลงก็ขี่คอความหลงมันทุกข์ก็ขีคอความทุกข์มันโกก็ชี่คอความโกรธบางกดจะเรียตั้งแตนน่ก็ขี่คอมันแล้วคู่แข่งเนะนี่ยทำมานี่ไม่มีเพ้แั้วก็มันวิ่งแล้วขี่คอมันแล้วทำมันวิ่งคนที่วิ่งแต่เราชี่คอคนที่วิ่งไปถึงไหนเราก็ชี่คอมันถึงนั้น เหมือนเป็นเช่นนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมมันความรู้จักตัวเห็นหลงก็ขี่ข้อความหลงซะไปไม่ได้สมายเลยแล้วก็ทำได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้เราปฏิบัติก็ศรัทธาต่อการปฏิบัติ ขณะที่เราเกิดศรัทธาต่อการปฏิบัติได้สัมผัสกับสิ่งที่ผิดที่ถูกได้เปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติจอกจากทุกปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันสถาบันของหลักปฏิบัติคือธรรมะปติเป็นสถาบัน สม่ำเสมอมีสติเห็นมันหลงมีสติเห็นมันรู้เห็นมีสติเห็นมันสงบมีสติเห็นมันพุ่งซ่านเป็นสถาบันแบบนี้ความสงบฟุ้งฟุ้งซ่านคือความรู้จักตัวนีว่าปฏิบัติเป็นสถาบันสม่ำเสมอ เรียบเรียบไปแบบนี้มันก็สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติต่อเลยเกิดศรัทธาต่อพุท้าคตต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์พระสงฆ์คือวิธีปฏิบัติออกจากความทุกข์มีลามชีวิตอยู่ลาเดียวก็ได้ชมได้เกิดโลยเกิดตาขึ้นตา เบตาในชีวิกขนมาสัมผัสจริงเรานี่ไม่ลืมไม่หลงเมื่อเห็นหลงที่ใดก็มีความรู้ไปเกี่ยวข้องเห็นทุกที่ใดก็มีความรู้เห็นความปิดก็มีความรู้ขึ้นมาเียกเป็นตาลกมาได้กรรมอันนี้มันเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธ ถ้าทำเชื่อก็ลบไม่ได้ไม่น่าจะทดลองเช่นเวลาเราปฏิบัติทดลองให้สุขทดลองให้ทุกมันไม่เอามไม่ยอมทดลองมเมื่อใ่ก็เสียหายทุกก็ทุกกันแล้วสุก็ฉุกันแล้ว หลงก็หลงไปแล้วโกรธก็โกรธไปแล้วรักก็รักไปแล้วสติไม่ไม่ไปไม่ไปแบบนั้นเห็นไม่เป็นอย่างนี้สติทว่าคุณค่าของสติเห็นไม่เป็นก้ น, น, นจกอว่าที่เป็นปฏิบัติงานนี้ก็คือตามหลักอวิสัตสี่ ความจริงเป็นอย่างนี้เหินทุกรู้แลว้วอยู่้าเิดทุกหรือละแลว้วการหลุดพ้นเห็นจริงๆความทุกข์กับความไม่ทุกข์ความไม่แ จ, นจน่งจริงๆไม่ลังเลสงสยัยเลือกเป็น ปฏิบานิโลดแ้งแล้ววิธีปฏิบัติมัดทิ่มาปฏิบัทิธอก็หาทำจริงได้เป็นจริงดีตลอดเวลาลวประกอบไปด้วยชีวิตทั้งหมดเวลาเราปฏิบัติก็พบความจริงของจริงที่เกิดกับเราอย่างนี้ ก็เลยเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัตังถ้าเป็นปัจจัตังอย่างนี้ก็เป็นส่วนตัวก็ขึ้นมาลูกเองเห็นเองตอบได้เองไม่ลังเลสงสยัยตอบได้ทุกคนไม่มีคำถามเป็นสัจธรรมความเท็ความจริงปรากฏเมื่องมนเป็นอย่างนี้ก็ พวกพ้นภาวะกับก่อไอทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไอ้โกรธก็ไม่โกรธไอ้หลงก็ไม่หล ง, เ, เ, ลง เ, เกิดเฉลี่ยน่ะลา ก, ก็ไม่เกิดเพราะมันจะเปรียบเทียบกับภาวะที่เป็นกับไม่เป็นไม่ได้สมปัตติ์ดูแล้ววันบริสุทธิ์กว่าการมันจกปกมันบริสุทธิ์นั้นเป็นภาละปัตนี้มันหมดภาละวางภาละลง กับคนที่ถือภาละมันคนหนักความหนักความเบาก็บอกภาล่ะหัวใจเบาใจจิตลาหัวใาเบาจิตภาละมันหนักดอกเวทนาฉันยาสังขารวิญญาณมันหนักเคยแบกมาสุก็เป็นสุกรูก็เป็นทุกข์โกรก็เป็นโกรกหลงก็เป็นหลงความรักความชังเป็นความรักความชัง มันเป็นอย่างนั้นสมัยหมก่อนพอมาเห็นแล้กวก็หลุดก็เลยเบ า, กาเกิดความเมาขึ้นมาตัวกายเบจิตตัวไม่สุดเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจุบันทุกทีวิตตามปเทศสนาของพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องปัญจวัคคีไม่ใช่เรื่องพ ร, อง ร, องะระอรหันต์สมัย สองขวบกว่าปีนั่นเป็นหลักฐานตรงชัดโชว์ไว้ไม่จริงๆทําให้เราดึอุ่นใจได้สมบัติกับธรรมะเมื่อใดก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าพูดถึงเห็นธรรมพูดนั้นเห็นพระพุทธเจ้าพูดถึงเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั่นเห็นพระธรรม พุทธเห็นธรรมพุทธเห็นปฏิจจสมประบาทคือสิ่งที่เนื่องด้วยกันเกะหลงมันจึงทุกข์จึงโกรธจึงลูกเพราะไม่หลงก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่ลูกไม่หลงไม่หลงไม่แต่งเพราะสิ น, นี้มีสิ น, นี้จึงมีตัวหลงเป็นตัวใหญ่เป็นกําเนิดของความ เป็นกำเนิดของปัญหาเป็นกำเนิดของภพชาติพ อ, อดีกับควางรู้จุดตัวเป็นกลุ่มกำเนิดควุมหลงแ ล, ล้วก็กลุ่มกำเนิดของภพชาติไปในตัวเสร็จเป็นกําลังเป็นเครื่องมือที่จะลื้อปัญหาที่เกิดกับกายกับใจได้ทุกอย่าง แล้วก็บ้านใจในธรรมธรรมพาไปธรรมนำไปเราจึงมีอยู่กับชีวิตเราทุกคนเราพั่งทำมาเทศนาครูเจ้าแล้วมีกำลังใจขึ้นมา กำลังใจที่มันก็มีชวนตัวเราเอามาประกอบเอามาทำวิธีทำก็มีอยู่ก่อนที่พระเจ้าจะเทศนาสอนแลน้วนี่มันเกิดอะไรก่อนไอวกาเพนเดินหนั่นจนถึงวันเพนเดินแปด มาถ้าแสดงธรรมเนี่ยเกิดที่ได้แสดงธรรมเทศนากันนี่ทำอะไรมาถ้าเราไปศึกษาดูก็ตอนที่พุทธะจะเกิดขึ้นก็เหมือนเปือเตือนหกนั่นตัดจะลูกันนั่นทนอย่างไรพระสีสธก็นั่งกู้แขนเข้าลู้จึกตัวเหย่ยเฉขนออกลู้สึกตัว นี่วิธีทำให้เกิดเป็นพุทธะนี้สติปัญญาอยู่เป็นประจำหลักปฏิบัติสมาธิที่พผู้เจ้าชูให้ปัญจวิชีพังเงื่อโชว์การมสกันญูกคอัาฐิวัาโยโคที่เคย เป็นมาที่เคยหมกมุ่นที่เคยอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใครก็มีเหมือนกันหมดผู้เจรินี้ลู้จเกกันเหมือนกันหมดเวาขันนิการโยโคโคเกอดลายการมัตตนาภวตนาอิปภวะตัหาเกิดลายปถาจินาโยโคทนมาณอย่างไรยิ่งสมัยนั้นปัฏฐะจิมถาโยโค เป็นภาพเป็นหลักปฏิบัติของคนสมัยนั่นอยู่แล้วก็วพระเจ้าก็โชูเรื่องนี้เมื่อโชว์เรื่องนี้นก็ชูเรื่องอริมักขึ้นมามืชูเรื่องอริมักก็มีข้อปฏิบัติตั้งแต่คิดถูกทำถูกคิดถูกพูดถูกทำถูก การงานชอบกางชีวิตชอบความภาพกานชอบมีสติชอบมีสมาธิในหลักปฏิบัติโชว์แล้วเนี่ยเกิมาทำอย่างไรทำสมาทิติดวลวุมม่นหากันเรากลกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่ปฏิบัติ สมมติมีสติเป็นกายอยู่เป็นประจำในความเพียงเครื่องขิดกิเลสมีสมัมิเยะมีสติถอนความบอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในตัวปฏิบัติเป็นน่าจะเป็น สิ้นก็เสมาธิสิ้สมาธิปัญญาอะไรขึ้นก่อนปัญญาขึ้นก่อนปัญญาก็มีศิลนมีสมาธิมีปัญญามีศิ้มีสมาธิสนับสนุนการ ท, ที่ปฏิบัติที่เป็นอริมุ า, าริมากเกิดปัญญาขึ้นก่อน เราเราจะเริญสติอะไรมาเกิดขึ้นก่อนแล้วคือสติปัญญาบรรลุเมื่อมีสติก็มีศีลขึ้นมาถวนความพอใจและความมม่พอใจในโลกจะได้สม บ, แบบูรณ์แบบรวมลงอริมรรคขอคือมี ความอยากคือมีศีลสมาธิปัญญาสิ้ก็คือศิ้นในอดีตมรรคสิ้นสิขาในสติเห็นลายเป็นประจอมไมีสติไปในกาเกิดความคิดที่มันเกิดขึ้นความคิดแต่มันเกิดขึ้นก็บายเกิดความพอใจไม่พอใจถอนออกมาก็มีความพอใจไม่พอใจก็ผิดศีลนสิไม่งกงาม ไม่เป็นศิลที่พระอริยเจ้าสนรเสริญตู้ตที่มีศินที่เป็นศิลของพระเจ้าสนรเสริญพระอริยเจ้าสนรเสนุนนั่นคือศินสิขาศินทะลงุงสิงย่อยเราก็ได้ร่ายสินขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นลูกและมีศีล ไรที่มันพอใจรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้เป็นผู้พอใจนี่คือรักษาศีลถ้าปล่อยให้พอใจไม่พอใจศีลไม่บริสุทธิก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆเวลาเราปฏิบัติได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะรักษากายรักษาใจ รักษากายรักษาว า, า่าใจให้เรียบร้อยก็ชื่อว่าศีลอะไรที่ว่ารักษากายรักษาใจก็คือสตินี่เองเห็นไหมถึงทั่งความคิดเมื่อมีสติไปนในกายก็ชื่อว่ารักษากายเห็นความคิดเกิดขึ้นก็ได้เปลี่ยนได้รู้ได้สอนจิตแต่ก่อนคิดอะไรก็ได้ บระัมีจิตก็ได้สอนจิตเวลามันคิดไม่ถูกก็ได้ให้รู้สึกตัวได้สอนความคิดได้สอนจิตใจเมื่อจิตใจถูกสอนแล้วก็เชื่องกวัวกายสอนได้กวัวกายอายสอนไม่ไม่จบอาการที่เกิดกับกายก็มีอยู่เรื่อยไปแต่ใจมั้นจบเป็น มันหลงก็จบเป็นมันทุกข์ก็จบเป็นมันโกรธก็จบเป็นมันทุกข์ก็จบเป็นที่ผันเสื่องทางใจนันสอนหน้าตมาจา ก, กจิตใจก่อนใ้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเวลาภาคปฏิบัติได้หลักจากปฏิบัติแล้วจึงเป็นธรรมเทศนากันนี้ที่ว่าธรรมจักร ด้วยการทำกันนี่เราเมื่อไปทําดูก็ถูกว่าถูกการปฏิบัติก็ตั้งต้นจากการปฏิบัติที่จะทําให้เกิดทำมาจอดขึ้นมาเป็นการปฏิบัติตั้งต้นจากความรู้จึกตัวคือสตินี้ตามกันได้ทุกคนโอ้ข้างเข้าเยื่อฉันออกรู้จึกตัว ตัการมันก็แสดงออกมาใจก็แสดงออกมาก็ได้สอนมานมันสุขมันทุกข์เราก็เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์มันร้มันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยเราก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยป่านนี้เห็นเวทนาการสุขการทุกข์นั้นเป็นเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มันนั่นมาใช้คำพูดแต่มันเป็นการกระทําที่สัมผ่านได้จึงมีคำพูดอย่างนั่นเห็นสุกเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นฉุกเป็นทุกข์แต่ก่อมันเป็นไปนเลยเมื่อมีสิ่งเกิดการเห็นเห็นมันฉุกเกิดมันทุกข์เมื่อใดเป็นผู้สุกมันอใเป็นผู้ทุกข์เห็นเสร็จแล้วเกิดการเห็นไม่ได้เข้าไปเป็น เีว่าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทำก็เป็นจริงได้เห็นกับเป็นก็ต่างกนันเห็นมันเบาๆกลาเป็นมันหนักทำผ่าตัวแล้วง่ายเมื่อมาง่ายก็สะดวกเมื่อสะดวกก็ทำได้ จึงโดยที่มันถูกมันต้องง่ายจึงโดยไม่ถูกก็ต้องยากเช่นความโกรธอดเอาดนียากอดด่าบูดนาเบิงถ้าเห็นไม่ได้อดเฮ้ยเห็นเรามันก็ไม่เป็นง่ายๆความโกรธความทุกข์หายง่ายๆเห็นไม่เป็นเน่ยวิธีปฏิบัติ ตามหลักอริยสัจสีที่เราได้ฟังเมื่อที่นี้ว่าทุกสมัมผัไยในโลดมากทุกเป็นเรื่องกำหนดรู้เราก็รู้ได้แล้วสัมผัสไทยเป็นสิ่งที่ต้องละก็เห็นแล้วแต่ละแล้วนิโลดเป็นสิ่งที่ทำไม่แก้งแล้ว ทางกันอยู่มรคข้อปฏิบัติทั้งามดัอบทุกในปฏิบัติอยู่ในขาที่เราทำอยู่นี้อยู่ในสัจสีทั้งนั้นมีปริวัติ3หมอาการจิบสองปฏิบัติ3ามก็ลายทุกเห็นทุกไม่เป็นทุกคนจากทุก มีสามเหตุให้เกิดทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ละเหตุตั้นแล้วละได้แล้วสามีแค่วิธีสามโลดทำไมแจ้งได้แจ้งแล้วทําได้แล้วความแจ้งทําได้แล้วมรรคข้อปฏิบัติแต่แต่ความเราทุกข์ใจปฏิบัติจำเนินไปแล้ว มาไล่เป็นดีแล้วมาผิดเป็นถูกแล้วปฏิบัติอย่างนี้ต่อกายต่อใจต่อปฏิวัติสามอาการสิบสองรวมกันเป็นสิบสองถ้าปฏิบัติ 3, า ก, า 12, ก็ ไ, ไม่เห็นแล้วทำได้แล้วพ้นแล้ว นิทีปไปบาก ค, คือทำอย่างไรพระเจ้าก็สอนว่าตลอดคืนไม่ต้อนรับไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าถ้าเรามีสติเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่สติเห็นแล้ว เห็นแล้วไม่เป็นว่ามันไม่ตอนรับให้ค่าแล้วสุขก็ไม่เช่สุขอยู่แล้วเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขมันค้นเจาะควาสุขค้นเจาะควาทุกข์ือมันไม่ให้ค่าสลัดเค้ือนแล้วไม่มีค่าสุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่าหลอมโขลกความหลงมความละความจงไม่มีค่านงินลูกอยู่นี่นะปฏิบัต มันก็เลยง่ายเมื่อง่ายก็สะดวกก็กกกทําได้ทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดเคีื่อนการกักใจนี่เป็นความสะดวกให้เราทำถูกถ้าทําไม่ถูกถ้าไม่เป็นก็ลําบากร้องไห้เสียใจหัวล้อร้องไห้เสียใจสุกก็หัวถึงก็หัวล้อทุ ก, ก็ถึงก็ร้องไห้ถ้าเราทำถูกก็ไม่ต้องไปถึงหัวล้อร้องไห้ มันมันจะนิ่มมันจะสม่ำเสมอเวลาเราปฏิบัติมัจจะสนุกไม่มีอะไรที่จะชอบโดยการปฏิบัติได้มีสติได้เปลี่ยนความหลงเป็นความ ร, รู้อะไรเปลี่ยนมาเป็นความรู้ทั้งหมดที่มาเกิดกับกายกับใจเรานี่ยแล้วก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆ เลื่อน้านะไปเรื่อยๆจํานานไปเรื่อยๆมีสอดมีฉินไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราปฏิบัติสัมผัสดวงแผนกรอบแผ่นกำขึ้นมาเหมือนกับผู้จะเสมอว่ากรรมฐานคือการงานการกระทำการกระทําแบบนี้มันมันอาจจะแล้วเป็นตามทุกวรนเจอผู้ปฏิบัติ ความหลงก็จะแล้วไปความทุกข์ก็จะแล้วไปความโกรธก็จะแล้วไปแล้วจริงจริงแล้วจริงจริงถ้าจิตนิยแล้วไปก็แล้วไปหลยหยาเช่นความโกรธโลภหลงความหลงเป็นตัวใหญ่ถ้าหลงไม่มีความโกรธ ก, ก็ไม่มีความโลภก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มี นันมีหมวดมีหมู่อย่างนี้ม น, นกับรักษาโลกวิธีปฏิบัติมันเป็นการสัมผัสได้กับทุกชีวิตเราได้ฟังธรรมได้เจริญเป็นเรื่องของเราการสัตรุกพูะเจ้าเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของพพุทธเจ้าธรรมะ ที่พระเจ้าแสดงกับเรื่องของเรามีผู้ทําได้แล้วจิตที่เราหลงมีผู้ไม่หลงแล้วจิตที่เราทุกข์มีผู้ไม่ทุกข์แล้วจิงที่เราโกรธมีผู้ไม่โกรธแล้วเราทุกข์พวงแก่เราทุกข์พวงเก็บเราทุกข์พวงตายมีผู้ที่ไม่ทุกข์พวงแก่ไม่ทุกข์พวงเก็บไม่ทุกข์พวงตายมีแล้วมีมาแล้ว ไม่ใช่เราจะยอมจำนนพอเชื่อนวเจ็บานเจ็บปวดหมดท่าไม่สู้เหมือนงูแพ้ฟังฟอไม่สู้เลยถ้างูเห็นฟังฟอก็ไม่สู้เลยยอมเลยไปไม่เป็นเลยเคยเห็นงูใหญ่ แค่ฟังพรชูขอขึ้นต้นไม้เรื่อยมาขึ้นเลยล่องอูกอ้กู้หวังกันละฟังพอก็เคี่ยวเปาจบจบจบจบจบจ บ, จบ อ, กก อ, อูก็ล่องอู่อูอูแค่เลยไม่มีทางสู้ชีวิตเราไม่เป็นชนนั้น ชีวิตเรเพื่อสู้เพื่ออะไรหลายอย่างเยอะแยะถ้ามีสตินะไม่มีแพ้ถ้ามีสติแล้วเราจึงมาเริ่มต้นจากกรรมฐานนี้วิธีปฏิบัติตั้งต้นจากกรรมฐานไม่ใช่ตั้งต้นจากคนอื่นทุกคนมีเครื่องมือทํากรรมฐานแล้วมีกายมีใจ มีอริบตรุตเหมือนกันหมดทุกคนทำได้ทุกคิิษติกมือขึ้นก็ลู่ยกมือขึ้นก็ลู่ให้ทําอย่างนี้ไปอยากถาตอบจากความพิษ ไ, ไ, ไ, ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้ความพิษไม่ต้องไปใช้เหตุผลเอาการกระทําเข้าไปให้มีการกระทําเกิดขึ้นลู่สึดตัวลู่สุดตัวลู่มากมาก ความรู้ให้มันมีมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน่ามีความรู้จึตตัวมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่ตรงเนค่าหมดไปเหมือนกันวันช้าสว่างไม่มากขึ้นครว ม, มือก็หมดไปให้เป็นมหาสติทํางานจะเป็นมหาสติเก็บตกให้ได้นอกจากกรรมฐานโดยตรง ในชีวิตแต่ละวันพยายามใส่ใจให้เป็นวิชากรรมฐานโลกตัวคิดกับคิดแบบกรรมฐานพูดก็พูดแบบกรรมฐานแตะบางที่ก็จะแดงปากอย่างใจอย่างเป็นกรรมฐานเหมือนกันพูดกับจนพลาก็ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งพูดกับ บางทีก็ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งต้องแสดงบางทีต้องแสด ง, ง, ต ง, แ, สดงแต่สิ่งที่เป็นธรรมไม่หนีไปไหนอยู่กับเราตลอดเวลามีปัญญาใชชีวิตแบบมีสติปัญญามาพัฒมกันปัญญารักษาศิลถ้ามีแต่ศินผู้ตรงตรงก็ไม่ได้ ติต้องมีปัญญาอะไรเพื่อความจริงไม่ได้เสมอปไปบัณฑิตไปสงแสดงตัวเป็นผู้ลู่ในหมูโจรไม่ได้วันฑิตไปแสดงตนในหมูโจรพ่านไม่ได้วันพ่านมาแสดงตัวในหมูวัณฑิตก็ไม่ได้มนความจริงอาจจะมีปัญญารักษาความจริงชีวิตเราก็เช่นเดียวกัน ชีวิตทไมใช่อยู่เฉพาะส่วนตัวอยู่กับจิงอื่นก็ให้มีปัญญารักษาศิลรักษาสมาธิมัน่นตั้งใจเอาไว้หัดมันดม่นคงหัดตั้นคงเป็นส่วนตัวส่วนตัวอยู่นนในสถานการณ์แบบไหนอืมวันนี้ก็เป็นวันดับเดือนเมษาเดือนห้าแล้ว วันเกินห้าไว้หลังแล้วชีวิตเราทํารายอยู่วันเกินล่วงไปล่วงไปบทนี้เราทํำรายอยู่มาเถอะพวกเรามาทํากรรมฐานนี่ชัวช่างจับหัวช่วงูแลบลิ้นมันจะเป็นรอยไปจะไม่ลืมก็ยยกมือสร้างจังหวะเคยรู้อย่างนี้เคยรู้อย่างนี้เข่าวจนมามาขั่วมาใช้มันใช้ได้จริงๆ ใช้ได้แต่ขั่วใช้ได้จริงรีบด่วนจริงอาจจะกระโดดได้ไกลถึงข่าวมันทุกอาจจะกระโดดได้เวลานั้นเย็นตายขึ้นมานจะกระโดดได้เวลานั้นหัดไว้หัดมีเอาไว้เพื่อจะได้กระโดดได้ไกลมันกระโด ด, ดถ้าเราถ้าเรามีความฝึกดีๆมันกระโดดเหมือนนักกีฬา ถ้าไม่ปึกก็ทาไม่เป็นสมนขวรเจ้เวาลาลันภาบวาดของกัน